ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกเคืนสิกขา51ภิพิกษุทั้งหลายอย่างไรชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกเคืนสิกขา